มาจากที่ไหนกันจังหวัดนนทนครับงนนเคยมาป่ะบเคยครับเคยมาแล้วนะอันนี้เคยมาครับมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนแข้ามเหละะบังครับามังมาจากราดบุรีมาเช้ายินกลับเลยหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงนี่ ที่สีเดี๋ยววัดพระอาจารย์ก่อนค่ะออเียน้ได้ข่าวว่าเขาจะมีเรือวิ่งค้ามจากพัทยาไปหัวหินออไปกาบรลงได้มนะั้จากพัทยาไปหัวหินนึนลดเวลาเดินทางได้ไกลาาเท่าไหร่ที่ แต่ต้องนั่งนั่งเรือข้ามทะเลมาไม่เอานะต่อไปอาจจะมีมโมงม็ได้ถ้า ม, มีการเดินทางมากๆของยาถ้าคุมถ้าคุมค่ากอสร้างเขาคงจะสร้างกันบ้านเมืองก็จเจริญไปเรื่อยๆ ทางด้านวัตถุก็พัฒนากันไปแต่ทางด้านจิตใจก็เหมือนเดิมไม่ได้รับการพัฒนาสบายทางร่างกายแต่จิตใจก็วุ่นวายเหมือนเดิมอาจจะวุ่นวายมากขึ้นเสียได้ซ้ำไปเพราะยิ่งมีวัตถุมากก็ยิ่งมีเรื่องมากมีปัญหามากมีเกเลตมาก มีวัตถุมากก็มีความอยากที่จะซื้อของต่างๆมากขึ้นความอยากก็ทำให้ใจวุ่นวายมากขึ้นสมัยก่อนสมัยปุย่าตายายไม่มีการพัฒนาทางวัตถุก็ไม่ค่อยวุ่นวายเพราะว่าไม่มีอะไรที่อยากที่ที่จะมาล่อใจไม่มีข้าวของต่างๆมาลออใจให้อยาก ก็เลยอยู่กันแบบสงบเรียบง่ายเพราะไม่มีหนึ่งไม่มีปัญญาที่จะไปซื้ออะไรสองไม่มีอะไรจะให้ซื้อสมัยก่อนของถึงทางก็ทำกันขึ้นมาเองภายในบ้านาปลูกกล้วยนี่ก็ทได้หลายปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวนี่ก็สามารถเอามาทำขนมได้หลายแบบ กล้วยนี่มีขนมหลายรูปแบบกล้วยต้มกล้วยบวชชีกล้วยทอดกล้วยโอาสารพัดกล้วยกล้วยฉากล้วยอะไรใบตองก็มาจากกล้วยเชือกกล้วยสมัยก่อนไม่มีถุงพาสติกใช้ใบตองห่อชีวิตก็ไม่ค่อยวุ่นวายอะไรก็ไม่ต้องมีอะไรมาก เขเรกว่ามีพอ่อเพียงต่อการอยู่กินกันไฟฟ้าก็ไม่มีสมัยเด็กๆ เ, เรายังจำได้ว่าเพิ่มมีทีวีใหม่ๆ ม, มีโทรทัศน์ใหม่ๆมีก็ไม่ได้มีทุกคืนมีแค่สองสามคืนต่ออาทิตย์ภาพขาวดำแล้วอยู่ต่างจังหวัดภาพมันก็ซ่าไม่ชัด เป็นของแปกใหม่ใครๆก็อยากจะดูไม่ได้ดูที่บ้านเราไปดูที่ร้านร้านเขาร้านขายเขาจะตั้งไว้ให้ดูกันคนส่วนให ญ, ญ่ไม่มีปัญญาที่จะซื้อบางคนมีฐานะถึงจะซื้อไปดูที่บ้านได้คนที่ไม่มีฐานะก็ไปดูที่ร้านสมัยก่อนลงภาพยนต์เขาก็บางทีไม่ได้ฉายทุกคืนนี่ย ทีไม่มีหนังใหม่มาเขาก็ไม่ได้ใช้บางก็มีหนังกลางแปลงคนมาขายยาแล้วก็เอาหนังมาใช้ให้ดูมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากไม่ต้องดิ้นรนหาเงินเงินมากเพราะไม่มีอะไรจะใช้ พอเริ่มมีการพัฒนามีของใช้ออกม า, มากขึ้นมีความอยากจะซื้อกันก็ต้องทำงานกันมากขึ้นหาเงินหาไรายได้ให้มากขึ้นกออ็คิดว่าได้ซื้อของต่างๆมาแล้วจะมีความสุขมากขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกคนมีรถกัน มีทีวีมีเครื่องใช้ไม้สอยมีอะไรต่างๆสมัยที่เราเป็นเ ด, เด็กของพวกนี้ไม่มีกันทุกคนไม่มีใครมีกันก็อยู่กันมาได้และอยู่กันแบบสบายไม่เลยไปไหนกันสมัยก่อนเห็นเห็นฮอรวิน่นวิ่นมาจากท้องฟ้าก็ตื่นเต้นกัใหญ่ไม่เคยเห็นวิ่งออกมาดูกันเห็นเครื่องบิน บินผ่านมาเนี่ยโอ้ท่านบินต่ำๆนี่ไม่เคยเห็นกันตื่นเต้นแต่ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้นั่งกับเขาเพราะมันกายสุตรเอื้อมที่จะไปคิดถึงการนั่งเราบินไปไหนมาไหนมันก็เลยไม่มีความอยากเมื่อดูว่าไม่มีความสามารถที่จะไปซื้อทีวีมาไปซื้อรถยนต์มาแต่มันก็เลย มันก็ทำให้ความอยากมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้อยากไปก็ไม่ได้มันม็ไม่นจะอยากไปทำไมสมัยนี้มันสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นสามารถที่แล้วมีระบบเงินผ่อนยิ่งทำให้ความอยากมันเลิ่มี มีปุ๋ยให้มันให้มันเจริญเติบโตขึ้นมนะก็เลยพออยากแล้วเราไปซื้อของมาก่อนมันก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้เมันก็เครียดเกี่ับการหาเงินหาทองกันเพราเราหาเราหาน้อยกว่าที่เราใช้เพราะเราอาศัยการผ่อนเราผ่อนน้อยละสิบ แต่เราเป็นนี่น้อยนี่ผ่อนทีละสิบมันก็เลยต้องผ่อนไปจนวันตายต้องหาเงินไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะอยู่เฉยๆได้ใจนี้ไม่มีความสุขใจก็ได้ความสุขก็เป็นความสุขกลองความสุขเดียวเดียว ความสุขที่ได้จากการได้อะไรมาได้ไปเที่ยวมาเสร็จแล้วก็ต้องมาหาเงินใช้ใช้นี้แล้วถ้าเกิดตกงานหรืออะไรขึ้นมาก็ยิง่งยิ่งลำบากนี่นี่คือโทษของของความเจริญทางวัตถุมันจะทำให้จิตใจ ทุกข์มากขึ้นเพราะความโลภความอยากมันมีเพิ่มมากขึ้นความโลภมากขึ้นเท่าไหร่ความอยากมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะความโลภความอยากนี้มันเป็นเชื้อเพลิงของของความทุกข์ใจทุกข์ทุกข์เพราะความโลภกดลงทุกข์เพราะความอยาก ยิ่งมีโอกาสได้โลภได้ได้อยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์กันใหญ่มีสมบัติกันเยอะมีข้าวของเยอะมีรถมีอะไรมีเครื่องใช้ไม่สอยมีของกินของดื่มของอะไรเต็มไปหมดแต่ใจก็กลับไม่สบายเหมือนกับคนสมัยก่อน คนสมัยก่อนไม่ค่อยวิตกกังวลกับเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องไปรู้เรื่องของเศรษฐกษิจของโลกของอะไรขอให้มีอมีฝนมีมีอากาศมีมีพระอา ท, ทิตขึ้นพระอา ท, ทิตตกมีฝนตกปลูกข้าวได้ปลูกถัว่วปลูกอะไรกินกันได้แค่นี้ก็มีความสุขละไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์ต่าง มากมายดันั้นการเจริญทางวัตถุนี่มันเป็นการเสื่อมทางจิตใจทําให้จิตใจมีกิเลสมากขึ้นมีเจ้ามากขึ้นก็ไม่ใช่มีมันทําให้กิเลสมันมีมีโอกาสได้แสดงบทบาทมากขึ้นได้โลภมากขึ้นได้อยากมากขึ้น พอโลภพออยากเราก็จะไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เสียใจโกรธเห็นไหมเดี๋นี้มีข่าวแบบไม่น่าจะเป็นข่าวทาขับรถปาดหน้ากันก็ลงมาตีกั น, น่ะมายิงกั น, นะละเอาความโลภความอยากจะไป ไปทำอะไรเร็วๆพอใคยมามามาทำให้มีปัญหาก็เกิดขึ้นมามันไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเรามันเป็นทั่วโลกอันนี้มันถ่รมาจากโลกของทางตะวันตกเขาเขาพัฒนาทางวัตถุขึ้นมาก่อนแล้วนำมันก็ถ่าย มันก็ขยายมาที่บ้านเราไปแลของส่วนใหญ่เราไม่ได้พัฒนานเนองเขาพัฒนาเอามาขายพวกเราที่คููนี่ก็อยากจะให้ให้เห็นว่าความสุขใจของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางด้านวัตถุความทุกข์ใจของพวกเรานี่ก็ ไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนวัตถุอางจริงมันเป็นการตรงกันข้ามการขาดแคลนวัถตถุจิตใจกับสงบมากกว่าเวลาที่มีวัตถุมากมีวัตถุมากก็ทำให้เกิดความโลภความอยากมากพอมีความโลภความอยากมากความทุกข์ก็จะมากขึ้นมาทันที พระพุทเจ้าทรงตัดสัตย์รู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเราไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากนี่นะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วพอมีของมาล่อตาล่อใจเนี่ยร่อทวารทั้งห้าล่อตาหูจมูกมิือกายเดี๋ยวนี้พอเปิด ตาขึ้นมานี่มีของล่อใจมาทุกทางเลยทางมือถือก็มีขายของทางทีวีก็มีขายของขับรถไปตามท้องถนนก็มีป้ายขายของเต็ไมไปหมดเลยเห็นแล้วมันก็น้ำลายไหลอยากซื้ออยากได้กันตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยเป็นที่รับเอาเรื่องที่จะมากระตุ้น ความโลภความอยากกันแล้วพอไม่มีปัญญาก็เลยหลงคิดว่าได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราจะมีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเวลาที่ได้มาก็สุขพอได้มาแป๊บหน้าเดียวมันก็หายแล้วซืว้ออะไรมาใหม่ๆก็ดีใจ เดี๋ยวพอไปเห็นของใหม่ขึ้นมาเอีกก็อยากจะได้ใหม่ลนะของที่ได้มานั้นก็ไม่มีความหมายนะถ้าไม่ได้ของใหม่นี้ก็ไม่สบายใจนะหลุดเหงื่อลำคาญใจขึ้นมานะแล้วของที่ได้มาก็ต้องคอยมาดูแลรักษามาวิตกมากังวลว่าจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า ถ้ามันหายไปมันพังไปก็เสียอกเสียใจทั้งทั้งที่ไม่มีพวกนี้เราก็อยู่กันได้แต่ไม่มีปัญญาคิดกันเห็นเขามีแล้วก็อยากจะมีตามเขาเห็นเห็นเขามีรถก็อยากจะมีรถแต่ไม่รู้ว่าพอมีรถมาแล้วมันมีภาระอะไรบ้าง ถ้ามีเงินไม่พอซื้อไปซื้อเงินผ่อนภาระที่จะต้องหาเงินมาผ่อนรถก็มาแล้วแล้วก็น้ามันที่ต้องเติมค่าบารุงรักษาถ้าไม่มีรถก็ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้มากดดันเพียงแต่เดินทางไปไหนมาไหนอาจจะไม่สะดวกรวดเร็วตามใจอยากนั่นเองแต่ก็ไปได้รถเมยก็มีรถแท็กซี่ก็มี น, นี่ก็อยากจะบอกให้อยา่าไปถงไหลกับทางด้านความเจริญทางโลกกันมากจนเกินไปให้คอยดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรใจเราสงบใจเรานิ่งใจเราอยู่เฉยๆได้หรือไม่หรือต้องวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆถ้าวุ่นวายก็ตัดมันไปดีกว่า อะไรถ้าทำให้เราวุ่นวายใจตัดนั้นได้ตัดไปเอาความสงบดีกว่าความสงบนี่เป็นความสุขที่แทจ้จริงแต่ความสุขที่ได้จากของต่างๆนี้มันมทำให้เราวุ่นวายใ น, ในภายหลังเวลาเวลาอยากได้มันก็วุ่นวายใจแล้วแล้วพอได้มามันก็ดีใจเดียเดียว แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาวุ่นวายไปกับการดูแลรักษาเนี่ยคนบางคนมะบนว่าเครียดหอวตกงานต้องมีภาระผ่อนนู่นผ่อนนี่ไม่รู้จะทำยังไงก็ก็คืนเข้าไปสิของที่เราซื้อมาก็ให้เขายึดไปคืนไปใช่ไหมมันก็จบ เมื่อก่อนเราไม่มีเราก็อยู่ได้สมัยเราเป็นเด็กๆเรามีอะไรเรามีรถหรืเปล่าเรามีอะไรหรือเ่าเรามีแค่ขนมวันละสิบบาทยี่สิบบาทเราก็อยู่ได้นะมีข้าวกินพ่อแม่เลี้ยงข้าวมีบ้านให้อยู่อนี้ก็อยู่กันได้นะถ้ามีความสุขมากก่ตอนที่มีเงินมากพอโตขึ้นมามีเงินมากมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สักที ว่มันมีของที่จะให้เราซื้อมากากงมันที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมใจนี่มันจะซื้อแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเห็นอะไรชอบก็ซื้อเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรประวางไว้เฉยๆเรากลับมาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดีกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้านั้นก็เคยอยู่กับวัตถุความจเจริญของวัตถุเป็นพระราชาโอรสมีพระราชทรัพย์มีพระประสาทสาฤ ด, ดูมีเบลีวานคอยรับใช้มีบันเทิงทุกรูปแบบ มีอาหารเครื่องดื่มทุกรูปแบบแต่พระองค์กลับเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสุขเพราะท่านเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านเห็นความเห็นอนิจจงเห็นว่าของพวกนี้มันไม่แน่นอนถ้าเกิดมีใครมาโค่นอำนาจก็หมดได้ถ้าถูกใครเข้ามาโค่นอำนาจไป ขางพวกนี้ก็กลายเป็นคนอื่นของคนอื่นไปหรือถ้าไม่มีใครมาโค่นอำนาจมาแย่งอำนาจร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันก็จะไม่สามารถรักษาความสุขที่มีอยู่ได้ใจก็จะทุกข์เพียงแต่คิดยังไม่ ยังไม่แก่เลยเพียงแต่คิดว่าจะแก่นี่ก็ทำให้ไม่สบายใจนะคิดว่าเวลาเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วคิดถึงความตายก็ไม่สบายใจนะพระพุทธเจ้าเห็นว่าการมีวัตถุต่างๆนี้ไม่สามารถมาคุ้มครองจิตใจไม่ให้ทุกข์ได้เลย พอคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายคิดถึงการพลาดพล า, าดจากกันนี่ใจก็ไม่สบายขึ้นมามีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ห้ามไม่อยู่ห้ามความไม่สบายใจไม่ได้ก็อาศัยพอไม่สบายใจก็หาก็อาศัยเอาสมบัตินี่มากบความไม่สบายใจชัว่วคราวเราไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปซื้ออะไรมาเพื่อจะได้ทําให้ สบายใจบางทีเที่ยวแล้วซื้อแล้วมันก็ยังไม่สบายใจเพราะมันไม่ใช่เป็นวิธีแก้วความไม่สบายใจไม่มีใครรู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่แหละอยากไม่ให้สิ่งที่มีอยู่นี่หมดไปอยากจะให้มีอยู่ไปนานๆเป็นของเราเป็นานๆ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวันจบสิ้นงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดไม่มีใครอยากให้มันสิ้นสุดอยากจะให้เป็นงานเลี้ยงทุกวันอยากให้ชีวิตของเรานี้เป็นงานเลี้ยงทุกวันมีความสนุกสนานเรื่องเลิ่มบันเทิงใจกันทุกวันทุกคืนแต่มันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตายตามมาวัน พัาดาดจากการตามมาดัการที่มีวัตถุต่างๆจะไม่ช่วยเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวมีเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ช่วยความไม่สบายใจดับความไม่สบายใจนี่ไม่ได้เลยมีสิ่งเดียวที่จะดับได้ก็คือธรรมะนี่นะธรรมะคือธรรมที่พระเจ้าทรงตัดสรูสัจธรรมความจริง ว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเองเกิดจากความอยากไปหาความสุขจากวัตถุกันอหาความสุขจากวัตถุมันก็เลยติดวัตถุแต่พอวัตถุมันเสื่อมมันมันจากเราไปก็เสียใจในเวลาที่ร่างกายของเราที่จะใช้ในการหาความสุขจากวัตถุไม่สามารถทำได้ ก็ทําให้ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระทัยว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะนําไปสู่ความสุขแต่เป็นทางที่ไปสภาไปสู่ความทุกข์ก็เลยไปลองไปเห็นเห็ น, นักบวชก็เลยได้ทราบว่าเขากําลังหาวิธีหาความสุขอีกแบบนึ่ง หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขทางจิตใจวิธีจะดับความทุกข์นี้ต้องไม่ไม่พึ่งวัตถุไม่ต้องไม่พึ่งข้าวของต่างๆแต่พึ่งการทําใจให้สงบพอเวลาใจสงบนี้ความอยากมันจะพักตัวลงสมัยก่อนที่พระเจ้าจะทรงตัดสรตวนี้ก็มีวิธี ดับความไม่สบายใจได้ชั่วคราวคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วความอยากมันก็จะพักตัวชั่วคราวตอนนั้นจะไม่รู้สึกกลัวตายกลัวเจ็บกลัวความแก่แต่พอออกมาจากความสงบพอมาคิดมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความไม่สบายใจก็ยังกลับคืนมาอยู่เพราะความอยาก ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันยังมีอยู่ตอนนั้นไม่มีใครรู้วิธีว่าทำอย่างไรกับความไม่สบายใจเวลาที่ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าไปศึกษากับอาจารย์สองรูปก็ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่วิธีว่าจะเวลาไม่สบายใจก็เข้าฌานไปเข้าสมาธิไป หยุดความคิดแล้วก็จะพอหยุดความคิดใจสงบแล้วก็ก็สบายไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอออกจากสมาธิมามันก็ยังไม่หายไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจจากความแก่ความเจ็บความตาย พระพุทธเจ้าก็เลยโทษเราตอนต้นคิดว่าถ้าไม่กินข้าวแล้วความอยากมันจะหายไปมันก็ไม่หายไม่กินข้าวใกล้จะตายแล้วความกลัวความตายมันก็ยังอยู่นั่นก็เลยดูว่ามันยังการไม่กินข้าวการการอดอาหารนี้ไม่ได้ทําให้ความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหายไปองเลยกลับมาลองวิธีใหม่วิธีทำสมาธิเวลาจิตสงบแล้วมันหายไปและเวลาออกจากความสงบมามันโผล่ขึ้นมาก็เลยสังเกตดูก็กไปเห็นว่าเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ที่ทำให้ ใจไม่สบายถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแนละ้วมันจะหายมันจะหายอีกคำว่ายอมก็คือหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเรายอมความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายมันหายไปหายแบบทาวร น, นไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องไปหลบในสมาธิ พอ ร, รู้ว่าความไม่สบายใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแายก็เป็นสิ่งที่ฝืนไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้เราฝืนไม่ได้อยากยังไงมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายอยู่ดีฝืนแล้วมันทุกข์อยากแล้วมันทุกข์สู้อยากไปอยากดีกว่า ปล่อยมันยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายพอปล่อยได้ยอมได้ ใ, ใจก็หายทุกเลยนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะหาความสุขกันดับความทุกข์กันไม่ได้หาความสุขดับความทุกข์ด้วยการไปหาวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆมา เพราะมันจะไม่สามารถดับได้มันกลับจะทำให้เราทุกขมากขึ้นเพราะเราจะมีความอยากมากขึ้นคนที่มีสมบัติน้อยคนที่มีวัตถุน้อยเวลาเขาตายนี่รู้สึกเขาตายง่ายเพราะเขาไม่มีอะไรมากอย่างขอทานนี่เวลาเขาจะตายนี่รู้สึกเขาไม่ค่อย มีความทุกข์ท่าไรเพราะเขาไม่มีอะไรต้องเสียมากเสียอย่างเดียวก็คือร่างกายทั้งนี้ที่ก็ต้องเสียที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนก็ต้องเสียร่างกายแต่นอกจากร่างกายนี้คนจนก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียแต่คนรวยนี่มีเงินร้อยล้านพันล้านมีอะไรมากมายมีมากก็ ทุกมากเวลาต้องจากกันมีน้อยก็ทุกน้อยดนั้นเราควรที่จะถ้าเรามีพอกินพอใช้แล้วเราก็ควรที่จะหยุดหาวัตถุวัตถุนี้มีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาทําใจให้สงบกันมาสอนใจให้ปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องจากกันไปในวันข้างหน้านี้ถ้าเรามีความสงบเราจะปล่อยได้เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเรามีความสงบนี้เรามีความสุขเราไม่ต้องอาศัยความสุขจากวัตถุนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบนี้เรายังปล่อยไม่ได้เพราะเรายังต้องอาศัยความสุขที่ได้จากวัตถุมา ให้ความสุขกับเราพวกญาติยมนี่ที่ยังต้องอยู่เป็นญาติโยมกันอยู่ยังต้องมีสามีภรรยาต้องมีทรัพสมบัติมีอะไรต่างๆเพราะเาะยังไม่มีความสุขในใจนั่นเองอยังไม่มีความสงบก็เรายัางปล่อยไม่ได้ถ้ามาอยู่วัดสามวันห้าวันนี่ก็จะตายให้ได้ พอยังต้องพึ่งวัตถุเอวต้องพึ่งข้าวของเงินทองต้องพึ่งสามีภรรยาต้องพึ่งของเหล่านี้ให้ความสุขกับตอนอยู่เหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยคนติดยาเสพติดนี่ถ้าให้มันอยู่วัดนี่มันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องหนีออกไปคนติดบุลีคนติดเหล้านี่บางทีก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่กี่วันก็ทนไม่ไหวมันทรมานใจ ความอยากที่เคยได้เสพอะไรนะันมันมันยังมันยังมีอยู่พอไม่ได้เสพก็มันจะทารมาใจแต่ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้นี่มันจะไม่ทรมานใจเพราะเวลาจิตสงบนี่ความอยากมันมันหยุดไปมันพักไปมันก็เลยไม่เดือดร้อนเหมือนกับเคยเคยติดอะไรแต่ถ้าหยุด ทำใจให้สงบได้นี้มันจะไม่ติดมันหายแล้วมันก็จะเลิกได้เพราะฉ้นเราอยากจะเลิกพึ่งวัตถุเราก็ต้องมาหัด ส, สร้างความสงบในใจกันถ้าเราสร้างความสงบในใจได้เราไปบวชได้ถ้าเรายังทําสร้างความสงบไม่ได้นี้ไปยาก ไปได้ก็อาจจะไปได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องกลับกันสมัยนี้บวชกันแค่เจ็วันสิบห้าวันสมัยก่อนโบราณไม่ค่อยมีวัตถุไม่มีงานไม่มีเงนิงนก็บวชกันได้ทั้งพรรษาสมัยก่อนนี้เป็นธรรมเนียมของคนไทยเราเวลาบวชนี้ก็บวชกันทั้งพรรษาบวชตอนเข้าพรรษากันแล้วออกพรรษาก็รับกระถินเสร็จแล้วก็ถึงค่อยลาศิกขากัน แต่สมัยนี้มันต้องทำงานหาเงินกันมากบริษัทก็ให้เราได้แค่สิบห้าวันถ้าอยากจะบวดงานกนั้นก็ต้องลาออกจากงานก็ไม่ได้กันเดี๋ยวไม่มีเงินก็ลำบากอีกอันนี้บางทีก็เหลือแค่เจ็ดวันก็มีเพราะว่าต้องเอาเวลาไปหาเงินเพื่อจะได้ไปซื้อวัตถุ ซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดของใจต้องมีวัตถุเสกันแต่ถ้าได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถทำตามได้สามารถนั่งเฉยๆทำใจให้สงบได้นี่ก็จะสามารถที่จะเลิกการพึ่งพาวัตถุต่างๆได้ ขอให้ใจสงบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะสามารถทิ้งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่สงบถาวรแต่ถ้ารู้ว่าตวเองทำได้แล้วมันก็จะมีกําลังใจที่จะจะทำให้มันมากขึ้นทำให้มันบ่อยขึ้นจะทำให้มันมากขึ้นบ่อยขึ้นได้ก็ต้องเลิกมันก็ต้องเลิกต้องลาออกจากงานจะได้มีเวลามาทา ถ้ามาทำตอนเอกกริกงานมันก็ทำได้แป๊บเดียวแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบไปทั้งวันทั้งคืนนี้ก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนจะทำได้ก็ต้องไม่มีงานทำต้องราออกจากงานแต่คนที่ได้ความสงบเพียงค้ังเดียวล้วนี้เขามีกาลังใจแนละมวบองคนได้ดูหนังตัวอย่างคนดูหนังตัวอย่างชอบหนังเรื่องนี้คนระับเดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องนี้ทั้งเรื่องนะ ตอนหนังเรื่องนี้เข้าลงเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปดูทันทีเพราะฉะนั้นคำย่าโมนี้เป้าหมายแรกก็คือลองทําให้มันสงบสักครั้งหนึ่งแม้แต่ชั่วพริบตาเดียวก็มันก็จะทําให้เห็นคุณค่าของความสงบแล้วจะทําให้เห็นโทษของสิ่งที่เรากําลังยึดติดกันอยู่ว่ามันทําให้เราต้องทุกข์กัน เพราะเราอยู่อยู่ปราศจากเขาไม่ได้นั่นเองเวลาเราไม่ได้อยู่กับเขานี่เราทุกข์มากทรมานใจจึงไม่มีใครอยากจะมาอยู่วัดกันมาอยู่วัดนี่ไม่มีอะไรให้อยู่ตัวเปล่าๆมีแต่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคเท่านั้นนอกนั้นไม่ให้มีอะไรให้ให้เอาเวลามา ทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้าทำได้ความจริงทำใจให้สงบมันก็ไม่ยากถ้าเราจัถ้าเรารู้จักรู้เคล็ดมันเคล็ดก็คือเราต้องมีสตินะคอยควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดนะเอาพุโทโธอัดเข้าไปนะมันจะคิดอะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าสู้มันได้ความคิดหยุดได้จิตก็สงบนะแค่นี้เอง เริ่มตอนหนึ่อยู่แค่ตรงนี้แต่เวลาปฏิบัติกันก็ถูกกิเลสหลอกให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้ไปคิดทางปัญญงปัญญาอะไรก็ว่าไปซึ่งคิดไปแล้วมันก็ไม่สงบแต่เดี๋ยวจากปัญญามันก็กลายเป็นกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวคิดเรื่องของกิเลสไปตอนต้นก็คิดเรื่องของปัญญาคิดไปคิดมากลายเป็นเรื่องของ กิเลสไปเรื่องของความอยากไปโดยไม่รู้สึกตัวนั้นการปฏิบัติเรื่องต้นนี่อยากไปคิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญญาหรือเป็นอะไรงนั้นหยุดคิดมันให้หมดให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าให้มันคิดเอาจิตให้สงบให้ได้ก่อนถ้าจิตสงบแล้วที่จะคิดอะไรนีก็คิดได้เพราะอย่างน้อยถ้ามันไม่สงบเวลามันฟุ้งก็ยังหยุดเป็นได้ สมัยนี้คนปฏิบัติกันมันสับสนกันบางทีก็สอนให้คิดทางปัญญาบางทีก็สอนให้ทําใจให้สงบหลายเวลาทําจริงๆไม่รู้ทํากันอย่างไรบางทีนั่งสมาธิจะทําใจให้สงบแล้วเดี๋ยวก็จะไปวิปัสสน า, าละยังไม่ทันสงบเลยเอา้าวจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ละหรือพอจิตสงบปุ๊บก็ททนที่จะให้มันสงบนานๆก็เอาไปคิดก่อนลนะคิดแล้วมันก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่ เห็นตอนต้นนี้เราต้องการสร้างความสงบให้มากมา ก, มากให้หยุดคิดให้มากๆให้นานๆจิตจะได้มีความสุขแล้วจิตจะได้ไม่ไปหิวโหวยไปกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวโหวยกับวัตถุต่างๆแล้วพอหิวโหวยก็ใช้ปัญญาใช้สมาธิมาหยุดมันปัญญาก็สอนว่าเนี่ยญญาไปญยาก กับลูกเสียงกิ่นรถมันก็จะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาไม่ได้มันก็จะทุกข์จะวุ่นวายใจขึ้นมาพอเห็นโทษของการไปทำตามความอยากต่างๆมันก็หยุดอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปอยากดีกว่าเวลาไม่อยากแล้วใจเย็นใจสงบใจสบายมีความสุขพออยากปั๊บใจร้อนขึ้นมาทันที ที่ขับรถปาดหน้ากันก็นเพราะความร้อนใจร้อนกันจะรีบไปกันอยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถอยู่ข้างหน้าก็แซงก็าปาดก็ไปเลยคนที่อยากจะไปทางตรงถูกต้องเหยียบเบรกก็โกรธขึ้นมาใจร้อนกันทั้งคู่คนปาดหน้าก็ร้อนคนที่ถูกปาดหน้าก็ร้อนลงมาก็ด่ากันก่อน ถ้าฝ่ายหนึ่งมีสติขอโทษขออภัยก็โอเคไปยกมือไหว้หน่อยเขาก็แต่ถ้าไม่มีสติด่ากลับก็เดี๋ยวก็ไปกันใหญ่ขอให้เราเข้าใจว่าความเจริญทางวัตถุนี่เป็นความเสียหายทางน้านจิตใจเป็นเป็นการเสื่อมของทางจิตใ จ, จเจริญวัตถุมาก ท, าทลายศิลธรรมศิลธรรม มันจะโหดหายไปประเทศที่เขาจเจริญทางวัตถุนี่เขาถือการเดือวร้อนนี้เป็นเรื่องปกติการประพฤติผิดไปเวณีเป็นเรื่องปกติสมัยนี้เขาไม่แต่งงานกันล้เขาชอบอยู่แบบสุนัขคือเปลี่ยนคู่ได้ทุกเวลาสุนัขนี่เขาไม่มีงานแต่งงานกันใช่ไหมเขาไม่มีคู่ครองเลนะเขาก็อยู่กันเดียวเดียวก็เดียว เขาก็จากกันแล้วเขาก็ไปเจอตัวใหม่เขาก็หาใหม่ละเนี่ยตอนนี้เรากําลังศีลธรรมกําลังเสือ่อมโกหกก็ถือเป็นเรื่องปกติไปละพูดโกหกก็เป็นเรื่องปกติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ก็ทํากันเพราะคิดว่ามันไม่มีผลตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วคนสมัยใหม่นี่เขาไม่เชื่อนระกเชื่อสวรรค์เขาไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิด เขาก็เห็นว่าผู้กระทำเกิอร่างกายตายแล้วก็ถ้ายังถ้าถ้ายังไม่ตายก็อยังมากก็ติดคุกติดตารางหรือถูกจับไปประหารชีวิตแต่ถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีผลอะไรตามมาต่อไปเขาก็เลยไม่กลัวบาปกลัวไม่กลัวนรกกันเวลาทําบาปเขาก็ทเขาก็มีอ้างเหตุผลของเขาก็าจำเป็นต้องทา ถ้าไม่ทำก็อดตายเขาก็ต้องทำหรือถ้าใครมาทำให้เ็าโกดมายามกันก็ต้องฆ่ากันนี่เป็นเป็นเรื่องของความเจริญทางวัตถุจะทำให้ไม่มีใครพึ่งาศาสนากันเข้าห า, าศาสนากันเพราะที่ว่าศาสาศนาเป็นขององมงาย คำสอนของาศาสนาก็เป็นคำสอนที่มาขัดขวางการกระทําที่เขาอยากจะกระทํากันเขาอยากจะกินเหล้ า, าศาสนาก็สอนไม่ให้กินเหล้าอยากจะประพฤติผิดประเวณีาศาสนาก็สอนไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีคนที่จเจริญทางวัตถุจึงไม่ค่อยเข้าวัดกันเพราะมันไปคนละทางกันไปดูเด็ดมห า, าเศรษฐีร่ํารวย มีคนมีคนไหนมาเข้าวัดเป็นปกติมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกันบ้างมีไหมไม่มีหรอถ้าทำบุญก็ทำแบบงานประจาปีครบรอบริษัทนิมนต์พระมาสวดมาอะไรถวายสังฆทงงานไปเท่านั้นเองแต่ที่จะมาทำยิปราวัดเป็นปกติเป็นนิสัยนี้ไม่มีหรอกมาวัดเทุวกวันพระมาฟังเทศฟังธรรม ทำบุญใส่บาตอะไรอย่างนี้ไม่มีรักษาศีลไม่มีภาวนาไม่มีเพราะเขาไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้เขาพึ่งวัตถุได้เขาพึ่งเงินทองได้ะแต่เขาจะต้องไปเจอวันที่เงินทองที่พึ่งไม่ได้แต่เวลานั้นเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรบางทีก็ฆ่าตัวตายกันไปแทนพอทุกข์มากๆก็ไม่รู้จะดับทุกข์ได้วิธีใดก็ฆ่าตัวตายกัน มีเงินทองก็ดับความทุกข์ไม่ได้พวกเราที่มาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมมาึมารักษาศีล ม, มาปฏิบัติธรรมกันนี่ก็ถือว่าพวกเรามีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยดึงจิตใจเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสของวัตถุนิยมกันเราก็ต้องฝืนมันอย่าไปตามมัน ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านไม่ต้องมีวัตถุทำไมท่านมีความสุขมากกับพวกเราที่มีวัตถุนิบานังปรมังสุขขังนี่มันมามันมาจากวัตถุมันไม่ใช่มันมาจากนิบานังปรมังสุญิง่งมันมาจากการไม่มีอะไร ส, สูญจากวัตถุนี่นิบานังปรมังสุญิง่งแปลว่า จิตใจไม่ได้พึ่งอะไรเลยไม่ได้พึ่งสิ่งต่างๆไม่ได้พึ่งวัตถุไม่ได้พึ่งใครทั้งนั้นพึ่งตนเองพึ่งความสงบที่จิตใจสามารถผลิตขึ้นมาได้เองผลิตความสงบขึ้นมาได้แล้วจิตจะมีความสุขอย่างยิ่งมีความสุขมากกว่ามีวัตถุร้อยล้านพันล้านแสนล้านแล้วก็ไม่มีความทุกข์ด้วยเพราะไม่มีอะไรจะเสียไอ้แมพระนี่ถ้าไม่มีสมบัติอะไรแล้ว ผ้าแท้ๆ่ถ้าไม่มีสมบัติถ้ามีแค่แปดชิ้นนั่นแหะที่ท่านถือเป็นสมบัติของท่านมีบาดใบหนึ่งมีผ้าสามผืนมีใบมีดโกนมีประคบเอวเข็มขันรัดเอว ม, มีมีเข็มกระด้าไว้ซ่อมจีวรแล้วก็มีที่กรองน้ำไว้ตักน้ำเพราะสมัยก่อนนี่ต้องตักน้ำจากลำธารจากลำห้วย จากบึงจากบอ่อมันก็มีตัวสัตว์อยู่ในน้าก็เลยต้องใช้ที่กรองตักขึ้นมามีแค่นี้สมบัติของพระพระพระแท้นะคือพระปฏิปันโนพระสุ ป, ปฏิปันโนก็คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาาระอรหันต์นี่ท่านมีสมบัติแค่นี้ที่ท่านถือว่าเป็นสมบัติของท่านอย่างอื่นถ้ามีท่านก็ไม่ได้ถือเป็นสมบัติมีก็ใช้ไปตามเหตุตามผลตามความจาเป็น ท่านไม่มีอะไรไม่ถือว่าเป็นของท่านวัดที่ท่านอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นของท่านกุฏิที่ท่านอยู่ท่านก็ไม่ถือว่าเป็นของท่านเป็นของสงฆ์เป็นของวัดไปเขาให้อยู่อาศัยก็อยู่ไปตามมีตามเกิดอยู่แบบนั้นตายแบบนั้นสบายไม่มีความกังวลกับอะไร ขอให้พวกเราดูพระพุทธเจ้าดูพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของความการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความสุขที่ไร้ความทุกข์ต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในตอนนี้ความสุขที่พวกเรามีก็เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปุ๊บก็หายไปแล้วแลส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความทุกข์ความกังวล มีปัญหามีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องคอยมาแก้อยู่ให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆเพราะวัตถุมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเปลี่ยนได้มีเจริญมันมีเสื่อมได้เวลาได้อะไรมาใหม่ๆมันก็ดีใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เสียเสียก็ปวดหัวแล้วก็ต้องออกไปซ่อมอย่าหลงในวัตถุมากจนเกินไปเอาแค่ปัจจัยสี่ก็พอ เอาแค่อาหารที่อยู่่าสายยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มนอกจาไม่ไม่ต้องไปมีมันทีวงทีวีอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นเอาเวลามานั่งสมาธิทาใจให้สงบดีกว่านั่งสมาธิชั่วโมงนึงกับดูละครชั่วโมงนี่ผลต่างกันมากทำจิตใจใจจะสบายมากดูดูละครแล้วก็ติดดูแล้วบางทีก็เครียดไปกับการดู เรากําลังหาความทุกข์กันโดยคิดว่าเป็นความสุขกันหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา <M> เวลามันเปลี่ยนไปเวลาไปเห็นรูปที่เราไม่ชอบขึ้นมามันก็ทุกข์แล้วรูปที่เราชอบมันเปลี่ยนเป็นกลายเป็นรูปที่เราไม่ชอบมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วสูตรปิดตาหูจะหมกมิตนกายหรือเปล่านั่งหลับตาจะได้ไม่ต้องมารับรู้ไอ้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบต่างๆ ทำใจให้สงบแล้วมีความสุขกว่าเงินก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องซื้อเสียเงินซื้อทีวีไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าไฟความสุขที่ดีที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกับไม่ชอบกันชอบความสุขที่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในภายหลังเอานะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้เราอย่าลงวัตถุกันมากให้มาหาธรรมมากันดีกว่าดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกเป็นตัวอย่างเวลาที่เราเล่าลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ให้เราลึกแบบนี้ให้เราลึกถึงการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์ว่าท่านดำเนินอย่างไรท่านยังมีความสุขไม่มีความทุกข์กันพวกเราอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์กันเราก็ต้องดําเนินตามแบบที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายดําเนินกัน มันมีแค่นี้แหละมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอแต่เรากราบพระธิไลก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้สักทีกราบไปแล้วก็อยากจะขอให้ร่ําให้รวยขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ปลอดภัยขอให้อะไรต่างๆขอเป็นอมนตานั่นก็ไม่ได้หรอกของพวกนี้ถ้าอยากจะได้ก็ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระสงฆ์เป็นตัวอย่างแล้วปฏิบัติตามท่านท้าห น, นักหนามันถึงจะได้ได้ความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ จะให้พรเดี๋ยวอกาจะกลับถึงบ้านก็มืดแล้วนะ3ามทุ่มสมมามมาี่ทุ่มนะถึงไหมประมาณทุ่มต<า>ีทุ่มค จ, จริงไม่ต้องมาก็ได้เนี่ยถ่ายทอดสดทุกวันเหมือนกันไม่เหมือนนะ อาจจะเป็นเพราะสถานที่ก็ได้นะสถานที่อย่างนี้มันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะที่บ้านก็เข้าไปในห้องปิดปิดห้องแล้วก็เปิดแอร์ก็ได้มันก็เงียบก็พอจะเงียบอยู่นะถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็เข้าไปในห้องเปิดแอร์แล้วก็นั่งไปก็เหมือนนั่งอยู่ในป่า การจะทำใจให้สงบนั่งสมาธิให้เกิดผลนี่มันต้องเงียบสถานที่ต้องเงียบไม่มีอะไรมารบกวนใจมีนหนังสือซีดีแจกนะครับหยิบมาที่หลงพ่อเล อาจารย์ลีเป็นศิษย์ขอวงตามาครบัวแต่ามาอยู่บ้านตาก็เคยอยู่กับท่านท่านก็เคยอยู่ท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยชอบพูดไม่ชอบคุยแล้วท่านพูดภาษาไทยภาษากลางไม่ค่อยเก่ง น, นะกนเลยไม่ค่อยได้เทะทางภาษาไทยกันเวลาจะไปคุยกับท่านต้องพูดทางภาษาอีสานเป็นถึงจะได้ฟัง แต่ท่านากไม่ค่อยเล่าแขกสมัยที่อยู่กับหลวงตาเพราะว่าอยู่ที่วัดนี่มีหลวงตาเป็นอาจารย์องเดียวพระอยู่ในวัดพ้าลูกวันนี้ไม่กล้าเป็นอาจารย์กันยาโยมมาต้องไปกราบหลวงตาท้งนะพระที่อยู่ในวัดก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกไปอยู่เพื่อไปปฏิบัติไปศึกษาไม่ได้ไปอยู่เพื่อไปสั่งสอน อันนี้ท่านก็ไปสร้างเจดีย์อยู่ให้สร้างเจดีย์ใหญ่โตนะเคยไปรึเปล่าที่วัดผาแดงนะี่ใหญ่มากรู้สึกท่านก็อายุมากแล้วเก้าสิกว่านะมีคนเข้ามาเท่าไหร่วันนี้วันนี้ยูทูบมีสามสิบสามคนครับ เฟซบุ 3, ๊กสามร้อยกสิบบาทมีโทนี้มีชาลานหรื อ, อเปล่าใช่ครับใช่ไหมครับมาเรื่องจะดูอยู่แต่ไม่ไม่ส่งข้อความเข้ามาไม่รู้เขาดูยังไงเขาไม่เข้าใจภาษาหรือเปล่าคงไม่เข้าใจน ะ, ม, จะมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาแล้วถ้าใครอยากจะถามอะไรไม่เข้าใจอะไร ถ้าไม่มีก็ลองให้ทางบ้านถามเข้ามาดูคําถามจากเฟซบุ๊กคาถามจากมนุษย์ทุกคนกระผมอยากจะเริ่มรักษาสี่แปลกแต่ติดในเรื่องการงดรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันพอดีตัวกระผมมีโรคกระเพาะเป็นโรคประจําตัวถ้าผมเกิดหิวผมสามารถทานนมได้ไหมครับโดยถือว่านมเป็นน้ําปานะได้ไหมครับ ก็อย่าไปถือข้อนั้นก็แ pues ล nope. ้วก right. mm ัน hmm. ถือข้ออื่นไปก่อนเมื่อเราถือไม่ได้เราอย่าไปเลี่ยงบาลีเลยอย่าไปหลอกตัวเองโกหกตัวเองถือไม่ได้ก็ถือไม่ได้ก็จบเท่นั้นเไม่มีใครเขาว่าเราเท่าไหไม่มีใครบังคับเราเท่าไหรก็เราไม่สบายเราถือไม่ได้ก็อย่าไปถือก็แล้วกันก็ความจริงข้อนี้มีไว้เพื่อให้กินน้อยๆก็กินสามมื้อก็ได้แต่ลดมันเสีก็สมมติเรากิน สมือแล้วก็แบ่งเอาสองมือมาเป็นสามมือเท่านั้นเองคือถ้าเราเคยกินสามมือเราก็ลดปริมาณให้มันเหลือมือละครึ่งมืออย่างเงี้ยมือละครึ่งหนึ่งก็เท่ากับกินมื้อครึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมเคยกินข้าวมื้อมื้อละสองจานก็ลดเหลือแค่จานเดียวไปไม่ตายหรอกการลดอาหารลงไม่ตายหรอกท่านต้องการให้ตัดความอยากในลถของอาหารกินมากเกินไปเนี่ย ปั่หาทุกวันนี้ไม่ใช่ขาดอาหารกันนะเกินอาหารกันนะเป็นรูปปรกป่งอะไรเนี่ยเป็นตุ่มกันทุกวันนี้ยังถ้าเป็นโรคกระเพาะก็ได้ก็กินตอนเช้าให้มันน้อยหน่อยก็ได้นี่ใช่ไหมเอาแบ่งของตอนเช้าวันมากินตอนเย็นนี่เอาเอาของตอนเช้ากับของตอนกลางวันมาแบ่งให้ตอนเย็นก็เหมือนกันถือศีลแปดนั่นแหละเพียงแต่ว่าต้องกินตอนเย็น เพราต้องกินยาอ้างว่าเพราะเป็นโรคก็เพราะต้องกินย า, า, าน ก, ก, าอ ก, ยาก็อย่างนี้ก็แบ่งเคยเคยกินมื้อละสองจานสมหรับวันกิน6กจานก็ลดแค่มื้อละจะาวันกินละสามจานก็แล้วกัน อ, อย่างนี้ก็ถือว่าได้ถือศีลแปดแล้วเพราะเราได้ลดประมาณอาหารลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าการถือศีลแปดนี่เพื่อให้สนับสนุนในการนั่งสมาธิไงเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดนี่เราจะนั่งสมาธิได้ยาก ถ้ากินอาหารตามปกตินี่มันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจมันจะไม่อยากนั่งมันอยากจะนอนมากกว่านั่งก็สับประงกตลับฉะั้นต้องกินแบบให้มันหิวหิวกินแบบไม่อิ่มเต็มท้องเกินพอหายหิวกินดับความหิวไม่ได้กินเพื่อความอิ่มกินแค่จานหนึ่งเดียวมันก็อิ่มแล้วใหม่ๆมันอาจจะรู้สึกไม่พอแต่พอกินไปสักระยะหนึ่งร่างกายมันปรับตัวเองกระเพาะมันจะหดลงแล้วต่อไปมันก็จะรู้สึก มือชามเดียวก็อยู่ได้กินได้ที่มันหิวส่วนใญ่มันหิวที่ใจเนีนถ้าร่างกายมีปัญหาต้องกินนะมื้อเย็นเราก็กินแบบนี้ไปสิลดปริมาณอาหารลงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตเพื่อร่างกายจะได้ไม่ไม่ง่วงมากเวลานั่งสมาธิข้อที่สองถ้าผมจะลองเริ่มศึกษาสิ่8แปดในวันพะ พอถึงวันรุ่งขึ้นผมจะต้องบอกกล่าวต่อหน้าพระพุทธรูปไหมครับวันนี้ขอถือสีลห้าเป็นปกติเหมือนเดิมบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้คนสำคัญที่ต้องบอกก็คือเราเน <c oughs> ั้นแหละพระเจ้าช่านไม่รู้เรื่องอะไรกันแล้วคาถามจากคุณเดียขอคำแนะนำวิธีกินที่ให้เกิดกรรมฐานหน่อยครับกินน้อยๆ วิธีถ้ากินให้เกิดกรรมฐานก็เอาอาหารทุกอย่างที่เราจะกินนี่เอามาใส่ชามเดียวกันแล้วก็คุกก็คนมันเหมือนเลี้ยงหมาางเงี้ยแล้วก็ค่อยกินกินแบบกรรมฐานให้กินแบบนั้นกินเพื่อไม่ให้กินด้วยความอยากกินด้วยความไม่อยากพอเอาขนมนมเนยกับของหวานของขาวมาใส่ชามเดียวแล้วคุกเข้าไปนี่มันอยากกินไหมเห็นแล้วมันน้ําลายมันก็ไม่ไหลนะให้กินแบบนั้นก็เลยกินแบบกรรมฐานกินเพื่อฆ่ากิเลส กินเพื่อฆ่าความอยากของมันก็ต้องไปรวมกันในท้องทั้งหมดไม่ใช่อะขนมเค้กสลัดเปากางกาแฟของอะไรที่มันจะเข้าไปในท้องก็ใส่ไปในชามนั่นแหละแล้วก็คนมันเลยเดี๋ยวมันก็ต้องไปคนกันในท้องนะก็คนมันซะก่อนให้มันเห็นชัดๆวันเป็นยังไงแล้วทีนี้ก็ตักกินเข้าไปตักกินเข้าไปอย่างนี้มันจะกินไม่ค่อยลงมันจะได้ไม่ขิวไม่จะได้ไม่อยาก กินแบบกรรมฐานพระท่านชันในบาตรท่านก็ชันแบบนี้แหละเอนที่ท่านเข้งแขงนท่านเอาทุกอย่างใส่เข้าไปในบาตรหมดนะ่ะของนอาที่จะเข้าไปในท้องในท่านจะอาไปใส่ในบาตรหมดนะากาแฟขนมเค้กซาลาเปาคนเงินไปเลยผลไม้ส้มกล้วยอะไรท่านใส่เข้าไปของแกงเผ็ดแกงแกงของหวานแกงจืดอะไใส่เข้าไปหมดนะ แล้วก็คนมันแล้วก็กินการกินในบาสนี้ท่านสอนว่ามี3วิธีวิธีแบบที่ฆ่ากิเลสแบบสุดๆก็วิธีนี้แหละปนมันเข้าไปคุกมันเข้าไปวิธีที่สองที่เบาหน่อยก็คือใส่เข้าไปแต่ไม่ต้องคุกใส่ข้าวเข้าไปใส่อะไรเข้าไปแต่ไม่ต้องไปคุกไปคนมันใส่ไปในบาสนี่แหละวิธีที่สมก็ให้แยกเอา ข้าวไว้ทางนกลับไว้ทางก็มีสามวิธีแล้วแต่กิเลสจะหนักจะเบาถ้ากิเลสหนักก็ต้องเอาวิธีหนักถ้ามันจู้จี้จุกจิกต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ก็คุกมันไปเลยแต่ถ้าไม่ไจู้จี้จุกจิกก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปถ้ามันกินไม่ค่อยลงก็ยากได้กินไม่ได้กินด้วยความอยากกินมันก็ยากได้กินตามสบายสบาย คำ ถ, ถามจากคุณจิรทัตการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นจําเป็นต้องศึกษาธรรมะมากแค่ไหนถึงจะเพียงพอต่อการปฏิบัติให้สําเร็จได้ครับความจริงขัน้นตอนแรกนี้ไม่ต้องรู้อะไรมากเลยให้รู้ครับพุโทโธคําเดียวนะั่นแหละขั้นต้นนี้เราต้องการทําจิตให้สงบรู้มากมันก็จะคิดมากคิดมากมันก็จะไม่สงบอย่างถ้าฐานจริงๆถ้าจะปฏิบัติจริงๆขั้นต้ น, นี่อย่าไปรู้อะไรเลย ให้รู้คําเดียวให้รู้พุโทโธแล้วก็ให้รู้ให้หยุดความคิดให้ได้ให้ท่องพุโทโธไปได้ให้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนได้นั่งสมาธิจิตก็จะรวมจิตก็จะสงบได้พอได้สมาธิแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องอื่นต่อไปเรื่องปัญญานี่มันต้องรู้มากแต่เรื่องสมาธินี่ไม่ไม่ต้องรู้มากให้รู้จากวิธีหยุดความคิดนี้เท่านั้นวิธีที่จะหยุดความคิดก็ไม่คิดนั่นเองหรือถ้ามันจะคิดแก็มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไป ไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นการปฏิบัติมันเป็นขั้นเป็นตอนแต่เราไปรู้เรื่องอื่นมันเอาขั้นอื่นมามามาแซงขั้นนี้ไปมันก็เลยไม่สามารถทำขั้นแรกได้เหมือนคนที่เหมือนเด็กที่มันจะหัดเดินหัดวิ่งนี่ก่อนมันจะเดินจะวิ่งได้มันต้องหัดยืนให้ได้ก่อนใช่ยังไม่ต้องไปสนใจวิธีวิ่งวิ่งยังไงวิธีเดินเดินยังไงขอให้สนใจวิธีว่ายืนได้ยังไงก่อน อันนี้ยังคานอยู่จิตเราก็เหมือนการจิตยังยังไม่สงบนี่ยอยาไปสนใจเรื่องวิปัสสนาเรื่องปัญญาเรื่องอะไรร้อย0 0ประการนะให้สนใจแต่วิธีทําจิตให้สงบเท่านั้นให้นิ่งเท่านั้นเองถ้าจะรู้ก็รู้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เช่นศิลนแปดรักษาอย่างไรกินอาหารแบบกรรมฐานอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็ต้องรู้แค่นี้ก็พอ mm hmm. เพื่อที่จะได้คอยควบคุมกิเลส ไม่ให้มาคอยขัดขวางการปฏิบัติของเราแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยทั้งวันทั้งคืนถ้ายังไม่มีความสงบนี้ต้องทุ่มเทจิตวิจิตใ จ, จ, จให้อยู่กับการทำความสงบเพียงอย่างเดียวให้หยุดความคิดให้ได้ถ้ามันไม่ผ่านขั้นนี้ไปมันไม่มีวันที่จะไปขั้นปัญญาได้ปัญญาก็เป็นปัญญาเป็นความคิดเฉยๆฆ่ากิเลสไม่ได้ใช่เนี่ย อันนี้ก็เป็นได้ปัญญาไปเยอะยะเอาไปฆ่ามันได้ไหมเนี่ยเราเอาไปกินทักมื้อได้ไหมขอมื้อเดียวเท่านั้นไม่ต้องหลายมืออ้อ <c oughs> เราเราย็นนี้เอาอาหารทุกอย่างใส่ชามกะละมังแล้วคนกันเข้าไปดูลองกินมันสักมื้อหนึ่งเลยแค่นี้ยังทําไม่ได้อันนี้ปัญญาแต่เราทําไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังสู้กิเลสกิเลสไม่ยอมไม่ทํา ยังต้องหยุดกิเลสให้ได้ก่อนทําจิตให้สงบแล้วจิตสงบแล้วกิเลสมันเหมือนถูกถูกโชคนกถูกถูกโชคล้มลงไปหนับ8ดทนี้มันจะไม่มีกําลังเหมือนเมื่อก่อนแล้วทีนี้มันจะไม่ค่อยมาต่อต้านวิธีของธรรมแล้วถให้ทําอะไรมันก็จะไม่ฝืนไม่มาคอยขัดขวางวให้เลิกให้เลิกดูทีวีมันก็จะเลิกดูให้เลิก กินมือเย็นมันก็จะเลิกกินมือเย็นอะไรมันจะมันจะเชื่อฟังมันไม่ดื้อด้านเหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิเวลาไม่มีสมาธินี่ทำงานมันไม่ยอมอะกำลังมันเยอะเลยต้องมาปล่อยให้มันล้มไปนับแปดก่อนให้มันสลึมสลือกันอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเข้าไปชกให้มันล้มไปนับสิบได้เลยคำถามจากคุณจีลานัน ถ้าเจอแตกคนโลกจะทำยังไงดีคะก็ปล่อยเขาโลภไปเลยไม่ใช่เรื่องของเราคำถามจากคุณมั่นใจทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาต่างกันอย่างไรครับคือการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนี่มันต้องมีศีลสมาธิปัญญาในผู้ที่จะมีศีลสมาธิปัญญาก็คือพระเนี่ย นักบวชที่ไม่ได้สอนนักบวชให้ทำทานก็เพราะว่านักบวชทำไปแล้วคนที่ไปบวชนี้เขาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วแต่สำหรับคารว์ที่ยังไม่ได้บวชนี่ยังมีทรัพย์สมบัติอยู่ยังหวงทรัพย์สมบัติอยู่ก็ลเลยต้องสอนให้ทำทานส่วนศีลทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิปัญญานี่คำว่าภาวนานี่ก็หมายถึงสมาธิและปัญญา เวลาพุทธเจ้าสอนนักบวชท่านจะสอนแค่ศีลสมาธิปัญญาเพราะว่านักบวชนี่ได้สละได้ทำทานไปหมดแล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอะไรก็สละไปหมดแล้วมีสมบัติแค่แดชิ้นเหลืออยู่เท่านั้นเองก็ไม่รู้จะทำทานอะไรอีกแล้วแต่สนหรับญาติโยมนี่ยังมีเงินน้อยล้านพันล้านอยู่นี่ก็ต้องสละมันไปก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายศีรษะก็ต้องสละไปก่อนต้องทาทานก่อน พอทำทานได้แล้วท่านก็ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคือศีลและภาวนาได้ต่อไปคาถามจากคุณพนมพรถ้าเราใส่บาตรก่อนแล้วเรามาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิที่หลังจะได้บุญเท่ากับเราสวดมนต์ภาวนาสมาธิใหม่ครับคือบุญแต่ละอย่างมันมันเป็นเหมือนยาที่เรามาใช้รักษาโรคของใจที่ไม่เหมือนกันครับ ถ้าเรายังติดท ร, รัพย์สมบัติอยู่เราก็ต้องทําบุญทําทานสลสระทรัพย์สมบัติไปถ้าเร า, ายังทําบาปอยู่เราก็ต้องรักษาศีลเพรนั้นบุญแต่ละอย่างมันต้องทําให้หมด autre. เพราะว่ามันมีเรามีโรคหลายชนิดไงโรคตาโรคหูโรคแขนโรคขาเราก็ต้องใช้ยาแต่ละชนิดมารักษาที่มันไม่เหมือนกันโรคตาก็ต้องใช้ยารักษาโรคตาโรคหูก็ต้องใช้ยารักษาโรคหู โรคแขนโรคขาก็ต้องใช้ยารักษาไปคนละชนิดกันการทำทานการรักษาศีลการไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นยารักษาโรคใจแต่ละชนิดกันแต่สิ่งที่ต้องทำมต้องทำเป็นขั้นขั้นแรกต้องทาทานก่อนต้องยกสมบัติให้หมดเลยจะได้มีเวลามารักษาศีลได้ คนไม่มีสมบัติแล้วจะไม่ค่อยโกหกไม่ต้องเพราะมันมันต้องไม่มันไม่ไปหาเงินหาทองนะคนที่หาเงินหาทองอยู่นี่มันต้องโกหกนรักษาศินยากคนที่เขาทำอาหากินนี่เขามักจะมาบ่นว่ารักษาสินห้านี่ยากก็เกินแต่คนที่ไม่ต้องทําอาหารกินแล้วไม่ต้องหาเงินหาทองแล้วนี่ไม่ต้องไม่ต้องโกหกใครแล้วยังต้องทําทานให้ได้ก่อน ไม่โลงไม่อยากได้เงินทองแล้วนะเมื่อนั้นนะแต่ก็จะไม่โกหกใครถ้าจะหาก็หาตามมีตามเกิดพอมีพอกินไปไม่ได้หาเพื่อให้ร่ำให้รวยเพื่อหาเอามาซื้อผ้าซื้อของซื้ออะไรต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของจำเป็นมันก็ไม่กี่ตังอาหารมาแล้วกี่บาทกันซื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อทุกวันมันก็ไม่มันก็ทำให้รักษาศินได้ ถ้ารักษาศีลได้มันก็จะทำให้ไปภาวนาได้ถ้ายัางรักษาศีลแปดไม่ได้มันก็ยังภาวนายากเพราะมันยังอยากจะดูหนังฟังเพลงยังอยากจะไปนอนกับแฟนยังอยากจะกินอาหารเย็นห ย, ยู่ยมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันงั้นมันต้องทำเป็นขั้นๆทำเหล่านี้มันเป็นขั้นบันไดทาทานการทำทานจะสนับสนุนการรักษาศีลการรักษาศีลก็จะสนับสนุนการนั่งสมาธิการทาใจให้สงบ ใจสงบแล้วก็จะสนับสนุนการเจริญปัญญาเพื่ออามาฆ่ากิเลส ต, ต่อไปมันต้องทำเป็นขั้นๆไปต้องทำทุกอย่างให้ครบแต่มันต้องมันเหมือนกับมันมีขั้นมีตอนของมันเหมือนเรียนหนังสือขั้นตอนแรกก็ต้องเข้าอนุบาลก่อนอนุบาลแล้วก็ประถมปรถมแล้วก็มัธยมแล้วค่อยไปอุดมศึกษาตามลำดับไม่ใช่จะเอามันมาปนกันพร้อมกันหมดนี้ อนุบาลยังก่กายขอขไม่ได้แล้วจะไปเรียนอ่านหนังสือได้ยังไงใช่ไหมมันต้องหัดเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนเด็กอะ่ะก่อนที่จะวิ่งได้มันก็ต้องคลานก่อนคลานได้แล้วก็ลุกขึ้นมายืนให้ได้ก่อนยืนได้แล้วก็เดินให้ได้เดินไม่ให้ล้มก่อนพอเดินได้ก็คาวิ่งมันมันของที่ต้องทาเป็นขั้นเป็นตอนไปคำถามจากคุณกริ ข้อที่หนึ่งทำไมบางทีถึงอยากบวชไม่อยากยุ่งวุ่นวายอะไรแต่ทำไมบางทีถึงอยากทำงานหาเงินเยอะๆทำไมมีความคิดเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไม่อยากได้ครับพระอาจารย์ความอยากมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงมันไม่แน่นอนมันมันไม่เที่ยงว่ถ้ามันเบื่อบางอย่างมันก็เบื่อมันมันก็ไม่อยากได้ละมันก็อยากได้ของที่มันไม่เบื่อส่วนใหญ่แล้วมักจะอยากได้ของที่เราไม่มีกันใช่ไหม ขอที่มีแล้วไม่ก็อยากได้คนที่มีแฟนแล้วก็บางทีก็อยากจะเลิกกับแฟนคนที่ไม่มีแฟนก็อยากจะมีแฟนเขเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนที่บวชแล้วก็อยากจะเสึกกันคนที่ยังไม่ได้บวชก็อยากจะบวชกันมันก็จิตมันก็หลอกกันไปหลอกกันมาอย่างเงี้ยคิดว่ามันพอเราไม่มีอะไรแล้วคิดว่าเรามีแล้วจะดีพอมีขึ้นมาแล้วรู้ว่าอาะไม่ดีซะละไม่เอาละอยากจะได้อย่างอื่นแทน มันก็หลอกเราไปเรื่อยๆความอยากมันจะไม่มีวันเส้นสุดไงมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือหยุดมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปทําตามความอยากแล้วมันก็จะหมดปัญหาไปข้อที่สองถ้าเราจะบวชแต่มารดาบิดายังไม่เห็นด้วยแต่เราก็จะบวชเพื่อศึกษาพระธรรมเราจะผิดหรือบาปไหมครับการศึกษาพระธรรมนี้ไม่ต้องบวชก็ได้ ตอนต้นก็ศึกษาอยู่ที่บ้านก็ได้หาหนังสือมาอ่านมาปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็ได้ตอนนั้นเปนถึงขีดหนึ่งที่รู้ว่ามันมันเต็มที่แล้วเหมือนกับการปลูกต้นไม้ตอนต้นเราปลูกในกระถางก่อนก็ได้ไม่ต้องไปปลูกในดินเลยปลูกกระถางดูแล ง, ง่ายกว่าใช่หไหมพอพอต้นไม้มันเต็มแล้วกระถางมันแตกแล้วรากมันขยายตัวแล้วตอนนั้นก็ต้องย้ายออกจากกระถางไปปลูกไป ไ ป, ไปลงดินแล้วอันนี้ก็เหมือนกันตอนต้นก็ศึกษาเป็นคารวะไปก่อนศึกษาพอทําคำสอนในเวลาว่างแทนที่จะนั่งดูทีวีกันก็มามาอ่านหนังสือธรรมะ ก, กันแล้วก็มาลองปฏิบัติกันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ยังดีทาไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าได้ผลดีนั่งสมาธิ จ, จิตสงบแล้วอยากจะนั่งมากๆ ก, กว่านี้นั่นงหลค่อยไปบวชถ้านั่ง ถายังไม่ได้นั่งนั่งก็ไม่สงบอย่าไปบวชเสียเวลาบวชแล้วเดี๋ยวก็สดอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ร้อนคําถามจากคุณสุวรรณาการช่วยงานวัดแล้วทําอุปกรณ์ของวัดเสียหายเพราะความประมาทของตัวเองและคิดว่าจะซื้อมาทดแทนใหม่ลูกจะ บ, บาปไหมเจ้าคะที่ทําของทางวัดเสียหายถ้าไม่มีเจตนาไม่เสียหายหรอกถ้ามาชดเชยได้ก็ดี ถ้าไม่มีปัญญาจะช่วยใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีเจตนาเจตนาเรามีอยู่ที่ต้องการจะช่วยหรือรับใช้วัดอยู่แล้วมันเป็นบุญกุศลอยู่แล้วเราเป็นเรื่องปกติเรื่องของการผิดพลาดมันย่อมมีการเกิดขึ้นเสมอยายามทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งว่าเขาไม่เอาเรื่องเอาเราวหรอกถ้าเห็นว่าทําด้วยความสุดจริญใจไม่มีเจตนารมณ์ที่จะมาตั้งใจจะทําร้ายเข้าของของวัด ถ้ามีอย่างมากท้งว่าก็ขอให้กลับไปบ้านท่นนั้นไม่ไม่ต้องมายุ่งแต่ังไม่เรียกร้องค่าเสียหายอะไรหรอกคำถามจากคุณสุพรเวลาร่างสมาธิพุทโธหายจิตมันไหลออกไปนอกกายโดยไม่รู้ตัวเหมือนเกิดนิวรค่ะหลับเคลิ้มแก้ไขปัญญาอย่างไรคะไม่ให้มันหลับให้มีตัวรู้ ก็ถ้ามันหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแทนแทนที่จะนั่งก็เดินจงกรมไปเดินไปพุโทโธพุโทโธไปพยายามสร้างสติให้มีกําลังมากขึ้นแล้วส่วนหนึ่งก็ลดอาหารให้มันน้อยลงอย่าไปกินมากกินแล้วมันก็จะหลับง่ายก็มี2 ส, ส่วนส่วนหนึ่งก็พยายามสร้างสติให้มีมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งถ้ารับประทานอาหาร <c oughs> มากก็ลดมันลงไปถึงแม้ว่าจะรับประทาน แค่เที่ยงวันถ้ามันยังหลับอยู่ก็อาจจะเอามื้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังง่วงอยู่ก็ลองอดปไนทั้งวันเลยกินแต่ของเหลวๆดื่มน้ําอาลละดื่มน้ําผลไม้อะไรไปก็จะช่วยทําให้ความง่วงนอนนี้หายไปได้คําถามจากคุณเมรู้สึกเป็นทุกข์สงสารกับอาการเจ็บป่วยของลูกต้องพิจารณาอย่างไรเพื่อดับทุกข์เจ้าคะ ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกเราไปห้ามมันได้ไั้ยคนจะแก่คนจะเจ็บคนจะตายนี้เราก็ไปห้ามไม่ได้เราทำได้ก็อย่างมากก็พาไปรักษาหาหมอหายามาดูแลกันไปแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขไดก้ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามันมันเป็นอย่างนี้ชีวิต มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปบางเวลาเราก็ควบคุมได้บ<า>ังคับได้แต่บางเวลามันก็ควบคุมบังคับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็เหมือนกันหมดร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเราไปอยากให้มันหายเราก็จะทุกไปเปล่าๆ ป, ปัญหาความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากให้มันหายอยากให้เป็นปกติ แต่เราต้องมองความจริงว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทำใจยอมรับพอเรายอมรับใจเราก็จะหายอยากและเราก็จะหายทุกข์คำถามจากคุณเอการซื้อนกปลาในวัดเพื่อปล่อยทำบุญเราจะได้บุญหรือบาปเป็นการส่งเสริมให้เขาทำบาปไหมคะ เรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือเรามีหน้าที่ทําบุญเราก็ทําไปถ้าเราเป็นนกแล้วมีคนมาซื้อเราไปปล่อยเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมใครคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะดีใจไหมเวลาเราถูกขั้งอยู่ในกรงแล้วก็าหรือว่าเวาใครตํารวจเจ้าจับเราไปขังคุกแล้วมีคนมาอา่ามามาประกันตัวเราออกนี่คิดว่าเป็นการส่งเสริมตํารวจให้ไปจับเรามาขัางคุกว่าปะ มัคิดอะไรเวลาจะทําบุญมีเรื่องปัญหาเข้ามาเยอะแยะเวลาทําบาปไม่มีปัญหาเลยพอจะทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยหาว่าไปส่งเสริมให้เขาทําบาปอย่างนี้เพราะจะทําบาปก็เรื่องของเขาแล้วมีหน้าที่ทําบุญเราก็ทําบุญไปใช่ไหมเออ๊ทําบากคำถามจากคุณตัง เคยได้ยินว่าดูกายให้ดูลมหายใจดูจิตให้ดูความคิดแล้วเราควรพิจารณาอย่างใดครับถึงจะพิจารณาได้ทั้งสองอย่างหรือพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งควรไม่ทไม่ไม่ควรทำตอนนี้เรายังเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะดูมันเราต้องสร้างเครื่องมือที่จะดูมันขึ้นมาก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนสร้างความสงบขึ้นมาก่อนถึงจะดูมันได้เพราะดูเฉยๆแล้วไม่ทาอะไรก็อย่าไปดูมันดีกว่า ที่ให้ดูเพื่อให้มันหยุดมันเข้าใจไหมเวลาดูใจมันโลภให้หยุดความโลภให้ได้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหยุดมันไม่ได้ก็อย่าไปดูมันให้เสียเวลาเลยดูมันแล้วมันก็ทําตามที่มันอยากนะดูว่าอย่าดื่มเหล้านะพรอมดูมันอยากจะดื่มเหล้าก็หยุดมันไม่ได้ดูมันทําไมก็สู้มาพุทโธพุทโธหยุดมันไม่ดีกว่าเลยดนั้นขั้นต้นเราต้องหยุดใจให้ได้ก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนสร้างสติขึ้นมา หยุดความคิดหยุดความอยากแล้วเวลาต่อไปเวลาดูใจดูนดูเวลามันอยากมันคิดอะไรก็หยุดมันได้มันคิดจะไปทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดมันได้แต่ตอนนี้เราไม่มีเบรกดูมันไปก็ไร้ประโยชน์อะไรเหมือนขับรถที่ไม่มีเบรกใครอยากจะขับบ้างไหมขับไปแล้วก็ดูสิแต่ถึงสี่แยกไฟแดงเบียเบรคมันไม่หยุดอ่ะมันไม่ได้หรอกต้องติดเบรกก่อนใจของเราตอนนี้ไม่มีเบรกกันเมื่ ถ้ารถไม่มีเบรกนี่เราจะกล้าขับออกไปบนท้องถนนไหยมันไปไม่ได้หรอกดังนั้นก่อนจะไปดูจิตไปดูอะไรทั้งหลายนี่มาหยุดจะ่งหยุดจยุดจิตให้ได้ก่อนสั่งให้มันหยุดให้ได้ก่อนให้มันอยู่เฉยเฉยให้ได้ก่อนเมื่อสั่งให้มันหยุดได้แล้วเวลามันจะไปทําอะไรไม่ดีเราก็จะสั่งให้มันหยุดได้เนเป้าความหมายคืออยู่ตรงนี้ดังนั้นทั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกก็คือต้องสร้างสติขึ้นมา พรมีสติเราก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้ขั้นต่อไปเราค่อยใช้ปัญญามาสอนใจให้เลิ ก, ใ ห, ลกให้เลิกอยากได้การใช้สตินี้มันไม่เลิกมันเพียงแต่หยุดพอเราไหวยเบรคปั๊บรถมันก็วิ่งต่อไปวิธีที่จะทําให้มันหยุดอย่างเทาวังก็ต้องสอนให้มันเห็นว่าการทําตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขถ้ารู้ว่าไป ไปแล้วจะมีความทุกข์เราจะไปกันไหมสมมุติถ้าเรารู้ว่าจะขึ้นเครื่องบินแล้วมันจะตกนี่มีใครอยากจะขึ้นไหมมันไม่คิดกันนี่คิดว่าไม่ตกกันหรอกแล้วพอตกก็มาร้องห่มร้องไห้กันนะเข่าใจไหมเออถ้าคนรู้ว่าเครื่องบินเครื่องนี้จะตกมีใครอยากจะขึ้นไหมนั่นแหลต้องให้รู้ว่าการทําตามความอยากเหมือนขึ้ น, ข, นขึ้นเครื่องบินที่จะตกเออไปไปได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแฟนเขาทิ้งเราแล้วเป็นยังไงมันก็เหมือนตกเครื่องบิน嘛 เครื่องบินตกนะแต่เราไม่คิดเยว่าเม่นนะก็ต้องอยู่กับเราก็ต้องดีกับเราถ้าเกิดเขาไม่ดีขึ้นมาจะทําไงเครื่องบินมันไม่ตกทุกวันหรอกใครๆก็รู้อยู่แต่ถ้าเกิดไปเจอลมที่มันตกจะทำก็สวยไปความอยากการทําตามความอยากก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินที่จะตกอนะ่ะให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่กล้าทําก็ยังนะ แต่มันแน่นอนกอนมันตกแน่ๆทำตามความอยากแล้วมันต้องทุกข์แน่ๆเพีงแต่ช้าๆหรือจะเร็วเท่านั้นเองเพราะของที่เราได้มาสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปแล้วเราต้องจากมันไปพอเราต้องจากกันมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นขั้นปัญญาแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นได้ให้หยุดความอยากขึ้นเครื่องบินให้ได้ก่อนหยุดมันให้ได้ก่อนแล้วพอปัญญาบอกให้หยุดมันจะได้ทาตามได้ ต่อคาถามจากคุณสีดาเราอยากสงบทั้งกายวาจาใจแต่แม่มีเรื่องพูดคุยตลอดมีเรื่องมาเล่าตลอดแต่เราไม่อยากคุ้งต้านเราจะทำยังไงดีคะก็เราพูดโทรวไปในใจปล่อยแม่เขาพูดไปลรวก็ <c oughs> เราก็พูดทั <c oughs> พูดทัวไปภายในใจอย่าไปฟังเขาเลย คำถามจากคุณเหมาซื้อเนื้อสัตว์แช่แข็งสําเร็จรูป <c oughs> เป็นแพ็คๆมาขายแบบนี้บาป <c oughs> ถ้าเราไม่ไปสั่งล่วงหน้าก่อนเขาฆ่าแล้วเราก็มาขายแล้วไปซื้อไม่เป็นไรแต่ละเว้ยเขายังไม่ฆ่าเราไปสั่งนี่เหมือนกันเราไปสั่งให้เขาไปฆ่าให้เราอย่างนี้ก็จะบาปได้สั่งเขาก็ดีทําเองก็ดีถือว่าบาปแต่ถ้าเขาฆ่าแล้วมาขายเราไปซื้อนี่ไม่บาปเดีเรา ขายเข้ามันไก่เราไปซื้อไก่เราอย่าไปสั่งวงัรงหน้าเราอยากจะซื้อไก่วันนี้แล้วก็เดินไปซื้อที่ตลาดมีไก่ก็ขายไม่มีวันนั้นก็ปิดล้านไปอย่าไปสั่งพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวตัวละนะ้าเอ เดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกเดี๋ยวกําลังพิมพ์กันอยู่มีใครยยอยากจะถามไหยทางนี้เวลาเรามาฟังเนี่ยเราฟังเรื่อ ง, ร, องราวเยอะแยะไปหมดเลยแต่เวลาปฏิบัตินี่เวลาจะทําจิตให้สง บ, บนี่ต้องทําอย่างเดียวต้องหยุดความคิดให้ได้เรื่องเื่อนอย่าเพิ่งไปทำเรื่องปัญญาเรื่องอะไรไม่ต้องไปทํา ใ ห, ให้รู้แค่เรื่องสีเรื่องทานเพื่อที่เราจะทำให้เราได้มีเวลามาปฏิบัติการทำทานการรักษาสีนี้ก็เพื่อที่จะมาให้เราได้มีเวลามาปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติแล้วขั้นตนขั้นแรกของการปฏิบัติก็คือหยุดความคิดพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดพยายามหยุดพุทโธแล้วพยายามนั่งเฉยเฉยให้มากให้จิตให้สงบให้ได้ พอจิตสงบแล้วก็พยายามทําให้บ่อยๆทําให้ชนานาญทําให้มันสงบนานๆจนสามารถที่จะให้มันสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเราได้อย่างนี้แล้วทีนี้ค่อยไปศึกษาเรื่องปัญญาว่าตายรักเป็นยังไงอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรนั่งกายเป็นอย่างไรอันนี้ค่อยไปอกีอกอีกตออ่อหนึ่งละมันเป็นคนละขั้นถ้ายังไม่มีความสงบอย่าไปเรียนเลยเรียนไปก็ทําอะไรไม่ได้บองไม่ได้ตัดไม่ได้ เรียนนั่งกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกข์ขึ้นใหม่เพราะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากแต่ถ้าเรามีสมาธิเราหยุดความอยากเป็นแล้วพอถึงเวลาบอกให้ปรงมันก็ปรงได้ตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือปรงอย่าเพิ่งไปพิจารณาปรงปร ง, งพิจารณาไงก็ปรงไม่ลงรู้เนี่ยฟังมาทุกวันอันนี้จังทุกขังหน้าตารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายกันแต่ปรงไม่ได้ เวลาจะเป็นอะไรหน่อยนี่ใจวุ่นขึ้นมาทันทีเจ็บกระเพาะไหนเจ็บท้องไหนก็ตกใจแล้วเฮ้ยมะเร็งรึเปล่า <c oughs> แต่ถ้ามีสติมีสมาธิก็เฉยๆเป็ก็เป็นสิเราไม่ได้เป็นกับมันไปกลัวอะไรใจไม่ได้เป็นร่างกายไปกลัวแทนร่างกายทำไมาร่างกายที่เป็นมันันไม่มเห็นมันกลัวเลย <c oughs> ร่างกายไม่เคยบน่นเลยว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มีแต่ใจเนะี่ยไปบ่นเองไปทุกข์เอง แถ้ามีสติมีสมาธิก็หยุดความทุกข์ได้พ <Yeah. S 1> อมันจะทุกข์ก็พุทโธพุทโธทำใจให้นิ่งมันก็หายละหายทุกข์ <c oughs> แล้วก็มาใช้ปัญญาค้นคว้าว่าอะไรทำให้เราทุกข์กันเนะ่ยร่างกายเจ็บทำให้เราทุกข์หรืว่าเราอยากให้มันไม่เจ็บที่ทำให้เราทุกข์เนนะ่มันมีสองเหตุแต่เราไปคิดว่าความเจ็บของร่างกายทำให้เราทุกข์กันอันนี้ไม่ใช่เหตุที่ทำให้เราทุกข์กัน เหตุที่ทําให้เราทุกขกันก็คือความอยากให้มันไม่เจ็บอันนี้แหละใช่ไหมแต่คิดถึงมันมันยังไม่ทันเจ็บก็ทุกข์แล้วใช่ไหมคิดว่าถ้าต้องเป็นมะเร็งขึ้นมาจะทํำยังไงแค่นี้ก็ทุกข์แล้วเพราะอยากไม่เป็นแต่ถ้าพิจารณาว่ามันต้องเป็นเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้อพอเราปรองได้ยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์ แต่เราปรงไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราหยุดมันไม่ได้เราหยุดความอยากไม่ได้สอนมันยังไงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่ฟังมันก็ยังไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอยู่นั่นน่ะยังสมาธินี้สำคัญมากนะถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญาทำงานไม่ได้ใช้ใช้ปัญญาตัดกิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้เพราะไม่มีกาลังพอแต่ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ฆ่าไม่ไม่ตายเพียงแต่ เ็แต่กดมันไว้พอเหมือนหินทับยาอย่างเงี้ยสมาธินี่มันเป็นเหมือนหินทับยาเป็นหินทับกิเลสเวลามีสมาธิจิตสงบกิเลสก็ไม่ทํางานพอออกจากสมาธิปั๊บมันพอคิดปั๊บมันก็ออกมาทํางานต่อญ่านี้พอเราหินออกมันก็งอเอื่ยขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้เงี้ามันตายอย่างถาวรก็ต้องถอนรากของมันรากของมันก็ รากของกิเลสก็คือความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเองเท่านั้นเองตอนนี้เรารู้แล้วมีพระพุทธเจ้ามาบอกเราสบายเคิดลับอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกไม่มีใครรู้หรอกว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองเราจับไปโทษว่าไม่สบายใจเพราะแก่บ้างไม่สบายใจเพราะเจ็บบ้างไม่สบายใจเพราะตายบ้างความจริงของเรานี่ไม่ได้ทําให้เราไม่สบายใจเรา พราะคนที่เขาพิสูจน์มาแล้วคือพอระพุทธเจ <uteur> ้านี่ท่านพิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ท่านไม่ท า, ท, าท่านสบายกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะท่านไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายท่านคนพบล้วความไม่สบายใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องศึกษาซึ่งตอนนี้เราก็ศึกษากันเยอะแล้วรู้อยู่แล้ว เป็นแต่ว่าเรายังเอามาใช้ไม่ได้ยังเอามาสอนให้ใจหยุดความอยากไม่ได้เพราะไม่มีกำลังต้องสร้างกำลังหยุดขึ้นมาก็คือสติพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดแล้วมันก็จะหยุดความอยากแบบพอหยุดได้แล้วทีนี้พอมันอยากปั๊บเราก็หยุดมันได้อยากไม่แก่เราก็หยุดมันได้อยากไม่เจ็บเราก็หยุดมันได้อยากไม่ตายเราก็หยุดมันได้แล้วเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะรู้สึกเฉย เพราะเราไม่ได้แก่ไปกับมันเราไม่ได้แก่ไปไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายมายังม า, ยมาเยอะแล้วค่ะมาเยอะแล้วคถามจากคุณซินีถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วชาติต่อไปเราจะมีต่อไปไหมคะไปทุกภพทุกชาติก็ไม่ได้ว่ามีมากมีน้อย ถ้ามีมากมันก็จะอยู่มันแล้วแต่ว่ามันฝังลึกไหมเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเสาที่เราปักในดินเนี่ยถ้าปักลงลึกมันก็จะแน่นถ้าปักลงไม่ลึกมันก็อาจจะล้มได้เห็นสมาธิหรือความคิดเห็นต่างๆนี่มันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันลึกหรือไม่ลึกถ้าเห็นมันแป๊บๆเดี๋ยวมันดืมได้เผลอได้มันก็ลืมได้แต่ถ้าเห็นแล้วมันจดจําได้ไม่มีวันลืมอย่างนี้มันก็จะมันก็จะ ไไปปกับใจต่อคำถามจากคุณพาาระจันการถูกคนนินทาเราควรทำอย่างไรครับก็ยกมือไหว้เขาเสวมาเป็นข้อสอบเนี่ยเพราะว่าเราผ่านก็ไม่ผ่านถ้าเราไม่ถ้าไม่มีใครมาดา่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเราสอบตกเราจะได้ไปซ้อมไปทำข้อสอบใหม่ถ้าเราผ่านแล้วก็สบายใจเออต่อไปนี้เราไม่เดือดร้อนนะ ใครด่าเราใครนินทาเราเราก็เฉยได้พระพุทธเจ้าสอนให้พระนี่อยู่ด้วยกันให้ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้เรายังมีกิเลสหรือรไม่มีกิเลสถ้าเรามีกิเลสเราจะไม่พอใจถ้าใครมาว่ากล่าวตักเตือนเราแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วเราจะยกมือไหว้เพราะการว่ากล่าวตักเตือนนี้เป็นการชี้คุมทรัพย์ เวลาเราทําอะไรผิดเราอาจจะมองว่าไม่ผิดใช่ไหมเรามักจะเข้าข้างตัวเราเองเอ๋อไม่ผิดไม่เป็นไรแต่ก็เลยก็มองว่ามันได้มันผิดนะด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ชี้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เ อ, ออยอมรับเราผิดเราต้องแก้ไขแล้วทาอย่างนี้ไม่ได้ละมันก็เป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราเนี่ยถ้าเราไม่มีกระจกเราจะรู้ไหมหน้าตาเราดีหรือไม่ดีเปื้อนหรือไม่เปืเป้อยใช่ไหมเวลาแต่งหน้าล้างหน้ า, นาล้างตาหวีผ้าหวีผมเราต้องมีกระจกกันใช่ไหม ถ้า ม, มีกระจกเรากล้าจะออกจากบ้านไหมงนั้นคนที่เขาดินทาเราวตำหนิเราว่ากล่าวตักเตือนเรานี่ก็เป็นเหมือนกระจกสองหน้าส่องให้เราเห็นว่าเรายังบกพร่องอยูเออ่เราจะได้แก้ไขได้แล้วเราก็จะดูใจด้วยว่าเรารับคําคําสรรเสริญรับคําดินทาได้หรือเปล่าหรือเรารับแต่คําสรรเสริญได้เพียงอย่างเดียว ถ้าเราล็บลลเพียแต่สรรเสริเวลาเจอความนินทาเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราเราล็บความนินทาได้เราก็จะไม่เสียใจแล้วเราก็จะเอาคํามนินทางเขามามาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเราได้ถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเราบกพร่องจริงๆเรามองไม่เห็นแล้วเขามาบอกให้เราเรามาแก้ไขเราก็จะดีขึ้นความบกพร่องก็จะน้อยลงไปเอ็มต้องยกมือไหว้เขาเวลาใครเขาด่าเรา ว่าเขากำลังให้ข้อสอบเราทำข้อสอบนีข้ข้อนี้ได้ป่ะเขาดา่าแล้วเราเราโกรธรึปะไม่พอใจรือป่ะอันนี้ก็เป็นข้อสอบข้อแรกแ้ะถ้าเขาเขาดา่าแล้วเราเฉยๆได้เราก็ผ่านแล้วสบายแล้วต่อไปนี้อยู่กับใครก็ได้ใครจะดายย่ายังไงก็ไม่เดือดร้อนแล้วถ้าเขาดา่าพูดในสิ่งที่เราเสียหายเราผิดเราก็มาแก้ไขได้ใช่ไห มันก็เราเราก็จะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นไปได้โดยเฉพาะอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ต้องโดนด่ากันทุกคนเนะอี่ยถ้าดีจริงไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทำไม้ที่ไปอยู่เพื่อให้ท่านสอนเนี่ยการสอนก็คือการดูด่าว่ากล่าวตักเตือนนี่แหละเรียกว่าการสั่งสอนเอ็นถ้าอยากจะได้ดิบได้ดีอยากจะเจริญต้องต้องยินดีกับการว่ากล่าวตักเตือนถ้าไม่ยินดีก็จะไม่มีวันพัฒนาได้ คำถามจากคุณพลพิทักษ์การสวดมนต์ได้อนิสงอะไรบ้างครับก็ได้สติได้ความสงบคำถามจากคุณอาชาริยาถ้าต้องการเข้าปฏิบัติกับท่านอาจารย์และขอพักที่กุดบนเขาชีโอน5้าถึงเจวันต้องขออนุญาตจากขั้นใดคะอ๋อไม่มีเร้วที่มันเต็มแล้วยามาเลยไปหาที่อื่นนะ คำถามจากป้าสำรวยการที่เราทำรองเท้าหนังเป็นหนังวัวนี่บาปไหมคะไม่บาปเราของมันตายแล้วถ้าเราไปฆ่าวัวมาทำมันบาปคำถามจากคุณมุกดามีทั้งนิวรณ์และเวทนารบ ก, กวนเวลานั่งสมาธิพอจะมีวิธีแก้ไขบ้างไหมคะ ก็เนี่ยต้องสร้างสติขึ้นมาต้องสามารถท้องพุโทโธไปได้โดยที่ไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บถ้าอยู่กับพุโทโธได้แล้วความเจ็บมันจะไม่มานบกวนใจมันจะอยู่นอกใจทำให้ใจเรานั่งอยู่สู้กับความเจ็บได้แต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธนี่มันความเจ็บมันจะเข้ามาเราจะทำให้เราเทรมานใจแล้วก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เนีนต้องพยายามฝึกสร้างสติสร้างพุโทโธขึ้นมาให้มาก เวลาเจ็บกับพุทโธพูทโทพูทโทพูดโธไปเลยท่องพุโทโธให้มันขาดใจไปกับพูทโทเลยอย่าไปสนใจกับความเจ็บแล้วเดี๋ยวความเจ็บมันจะหายไปมันจะไม่เข้ามาในใจเราคําถามจากคุณชุติมลถ้าเราเห็นสัต์เจ็บป่วยแล้วเราอยู่ในสถานะที่ช่วยได้แต่กลับวางเฉยเพราะกลัวเสียเงินคนที่คิดแบบนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรคะแล้วคนที่ไม่ค่อยมีสตังมาก แต่กลับเสียสละช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังป่วยจะได้รับผลอย่างไรบ้างคะอ๋อคนที่ไม่ช่วยเหลือคนอื่นก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือเขานะ่คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะมีผู้อื่นมาช่วย<ม>เหลือมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคาถามจากคุณเหมาผมนั่งสมาธิกาหนดจับลมที่ปลายจมูกแต่จิตมันชอบพูดพุทโธด้วย แล้วมันมีภาพปลายจมูกเกิดขึ้นแบบนี้กระผมจะนึกถึงภาพได้ไหมครับถ้าจะดูลมก็อย่าไปคิดถึงอะไรใชนั้นให้อยู่กับลมอย่างเดียวอะไรจะมาก็อย่าไปสนใจให้ถือการดูลมเป็นเป้าหมายหลักของเราอย่าไปสนใจกับพุทโธอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นที่มันมาโผล่ขึ้นมาให้เกาะติดอยู่กับลมอย่างเดียวมันถึงจะสงบได้มีไหมหมอนก็เลยคาถามจากยูทูบมีมีเข้ามาครับ าจากคุณกิติงนันทําำไมคนที่ใส่บาตรทุกวันเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเข้ามาฝันว่าอดอยากเกิดจากสาเหตุอะไรครับเราอาจจะฝันไปเองก็ได้เราคิดไปเองก็ได้คนที่ทำบุญทุกวันนี้เราเชื่อว่าจะไม่มาม า, าบอกว่าหิวหระคนที่ไม่ใส่บาตรนะเราไม่ได้ใส่บาตรเราเลยฝันไปเอง <laughs> ฝันว่าเข้าหิวความจริง เรามันหิวเองเราเลยฝันไปแต่คนใส่บาตเราเชื่อได้ว่าเขาไม่หิวหรอกเขาใส่เขาซมบุญเขาใส่บาตนี่ก็กิตใจเขาอิ่มเอิบคนที่ไม่ทำนั่นแหละถึงจะหิวคำถามต่อไปครับจากคุณวีรพลอารามณูปะอารามณูปนิชยานใยุ่งเล็กเพ่งอารมณ์กับลักลักขณูปนิชฌานเพ่งลักษณะ ารที่เป็นวิปัสนาอย่างหลังจะเกิดต่อเมื่อมีองค์ประกอบของอะไรบ้างครับเออไปเป Google, ดิด Google ดูเราไม่รู้หรอกคำถาต่อไปจากคุณเมิร์ชครับทำไมพ่อแม่ถึงชอบบอกว่าให้บวชก่อนมีแฟนแล้วถ้ามีแฟนแล้วค่อยบวชไม่ได้หรือครับคือมีแฟนแล้วมันมีครอบครัวแล้วมันก็แล้ว ก, กันมันก็ทำให้ฝ่ายหนึ่งทุกข์เข้าใจไหมั้ยอย่ไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น การนี้ก็คงจะพูดหมายถึงในลักษณะแบบบวชชั่วคราวมะบวชตามธรรมเนียมก็อยากจะให้บวชให้มันเสร็จเสร็จสิ้นไปแล้วค่อยไปมีลูกมีเมียจะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหาทีหลังไปมีลูกมีเมียแล้วอยากจะมาบวชมันก็ทําให้ลูกเมียลาบากเดือดร้อนได้ขาดผู้นําเราเป็นผู้นําังั้นโดยธรรมเนียมของคนไทยเราก็ให้บวชเรียนก่อนแล้วค่อยไปมีครอบครัว อันนี้น ล, ลักษณะแบบบวชเป็นประเพณีนะแต่ถ้าจะบวชบวชยางท้าวอนมันก็บวชได้ทุกเวลานะถ้าจิตเป็นพร้อมที่จะบวชจะมีหรือไม่มีมันก็บวชเนะี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนะึ่งพราะพุทธเจ้ามีลูกมีเมียแล้วก็ไปบวชใช่ไหมตอนนั้นเป็นเพราะว่าท่านพร้อมแล้วจิตท่านมันแบบว่าถ้าเป็นเหมือนบัวก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วมันต้องไปแล้วมันอยู่ไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณตัง เรื่องมือขั้นแรกที่พระอาจารย์บอกคือหมั่นฝึกพุโทโธฝึกสมาธิหากใจยังไม่สงบพุโทโธได้สักพักก็หลุดอีกจะมีวิธีไหนไหมครับที่ให้สมาธินานๆ น, นึกขึ้นได้ก็จะพุโทโธแต่ก็ลืมอีกครับก็ต้องทํำไปเรื่อยๆนี่แหละเหมือนเด็กที่มันยังเดินไม่ได้มันก็ต้องพยายามยืนให้ได้ใช่ไหมมันมันก็ยืนไม่ได้มันก็ต้องคานไปก่อนอนะ่านไปแล้วแต่มันก็พยายามจะยืนเดี๋ยวมันก็ยืนได้ พยายามพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีพมากขึ้นไปได้เองอ่ะไม่ใช่พอเริ่มทำปั๊บไม่ได้ก็หมดท้อแท้กําลังใจแล้วทาไปเรื่อไปสักปีดูแล้วเป็นยังไงพยายามตั้งใจว่าต่อไปนี้เป้าหมายของเราก็คือให้พุโทโธไปทั้งวันเตือนใจอยู่เรื่อยวันนี้ทําอะไรพุโทโธพุโทโธแล้วตอนเย็นก็มาเช็คดูว่าพุโทโธได้สักกี่กี่นาทีแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นไปเองอ่ะ อย่าท้อแท้เท่านั้นอย่าอย่า อ, อย่าท้ออย่าอย่ายอมแพ้อย่ามาอ้างว่าทําไม่ได้อย่าอ้างว่าไม่ใช่จริตของเราถ้าอ้างอย่างนี้มันก็จบก็จะไม่มีวันทําได้ <c oughs> หมดหรือยังมีอีกสามอ่าสามก็หอนะคําถามจากคุณสุวรรณาขณะฟังพระอาจารย์สอนและตอบคําถามต่างๆควรจะทําสมาธิและบริกรรมพุทโธไหมเจ้าคะไม่กวรหรอกเพราะเวลาฟังนี้เราต้องการความรู้ ถาเราไปนะักบริกรรมพูโทโธนั่งสมาธิเราสู้ปิดปิดเครื่องปิดเสียงดีกว่าเพราเดี๋ยวมันจะมาชนกันการนั่งสมาธินี่ต้องไม่มีอะไรมาล็อกกวนใจให้อยู่แต่ถ้าเราจะฟังนี่เราฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความรู้ถ้าเราไม่ต้องการความรู้เราอย่ามาฟังไม่ต้องฟังเทศไปนั่งสมาธิเลยหรือถ้าจะต้องการใช้การฟังเทศเพื่อทําให้เราใจสงบเพราะบางทีเรานั่ง นั่งเอกมันไม่สงบแต่นั่งฟังเทศมันสงบก็ฟังไปโดยที่ไม่ต้องไปพุทโทไม่ต้องไปดูลมฟังไปเรื่อยๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอให้มีมีเสียงธรรมคอยกล่อมใจเราไปเรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องต่างๆใจก็จะสงบได้คําถามจากคุณพิมพรดิฉันจะเข้าวัดเป็นประจำค่ะเวลาดิฉันกลับพระจุดทูปเทียนเสร็จแล้วจะลุกขึ้นมา จะเห็นแสงเม็ดเล็กสีทองประกายออกมานานอยากทราบคืออะไรคะก็คือสิ่งที่เราเห็นนี่แหละจะคืออะไรล่ะมันเป็นแสงก็รู้ว่าเป็นแสงก็เท่านี้อย่าไปดูอย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรมากไปกว่านั้นก็ใจนะเห็นเป็นแสงก็รู้ว่าเป็นแสงอย่าไปคิดว่าเป็นเทวดาเป็นบ้าบอคอแตกขึ้นมาเนไหแสงก็เป็นแสงก็เท่านี้คำถามจากคุณเอส การใช้เมตตาเป็นกรรมฐานในการภาวนาหมายความว่าอย่างไรครับและการทำทำอย่างไรครับคือเมตตาก็คือความที่เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นให้อภัยต่อผู้อื่นเวลาที่เราอารมณ์เสียเพราะผู้อื่นพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเรามีเมตตาเราก็จะทำให้อารมณ์เสียนั้นหายไปได้เช่นเวลาใครเขาทให้เราโกรธแ้่เร า, า, เาไม่เป็นไรไม่เป็นไร อยู่ด้วยการลิ่นกับฟันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือโทษโกรธเคืองกันความโกรธต้องก็จะหายไปความสงบก็จะกลับมาบวนแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะคนที่ส่งมาก็ไว้ค่อยวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่